รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายใช่ไหมรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายใกล้จะชนะแล้วอ้าวเหลือคำถามมากมายไม่ได้ตอบอ้าวตอนนี้เริ่มต้นตอบคำถามอืมใครอยากหลับก็หลับได้เลยอืมขอการเจ้าค่ะ คำถามที่หนึ่งกราบนรรมสการถามคำถามเจ้าคะ่ะขณะนั่งนิ่งนิ่งบางครั้งสะดุ้งเหมือนตกจากที่สูงเกิดจากเหตุใดและจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ่ะกราบขอพระคุณคะ่ะนิ่งคือกายนิ่งใช่ไหมและใจนิ่งหรือเปล่านั่งนิ่งนิ่งนแสดงว่ากายนิ่งเฉยแใจนิ่งหรือเปล่า รวมไปถึงว่ากายนิ่งด้วยใจนิ่งด้วยมีคลื่นอะไรมากระตุกมีคลื่นอะไรมากระทบมันก็กระตุกมีคลื่นอะไรมากระทบมันก็กระตุกจิตของเราพอมันเริ่มจะรวมลงมานี่มีอะไรมากระทบปับ๊บมันกระตกนะสังเกตให้ดีมีคนี้และ ก็จิตมันนิ่งถ้ามันม่นิ่งมันไม่รู้สึกดกพอจิตเราเริ่มนิ่งนิ่งสงบสมมติมีเสียงก็กล้าขึ้นมาทันทีนี่เสียงมันเป็นคลื่นนะบุ๊ปมากับทบเราเลยแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงระวังมากนั่งภาวนาหมู่เนี่ยต้องระวังเสียงอ้าวต่อไป ถ้าเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อขามากๆเวลานั่งสมาธิจะมีอุบายวิธีแก้อาการเวทนานี้ได้อย่างไรบ้างเจ้าคะทายาแน่นอนเลย <c oughs> ปวดกล้ามเนื้อมันก็ต้องทายาหรื อ, อยาคลายกล้ามเนื้ออาเคาะเสีย ทานได้เลยการต่อสู้เวทนานั้ น, เ ป, นเป็นฉากที่รบเราหัวใจของเราใครมีชีวิตนักต่อสู้เนี่ยเราจะได้บาบเราจะได้วิธีจากการต่อสู้เวทนาเวทนาคือเจ็บคือปวดท่านบอกแล้วเจริญมหาสตินั่นแะ พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพอปวดขึ้นมาหยุดพุโทโธเราเพ่งไปที่ทุกเวทนามันเปลี่ยนสภาพจากกายานุปัสนาไปเป็นเวทนานุปัสนาตามดูความเจ็บความปวดเอาสติไปกำหนดจดจอ่ออย่าให้เป็นเราไปกำหนดจดจอ่อดูศักดิ์ทว่าเวทนาศักดิ์ทว่าเป็นเวทนา คำว่าส ah ักแต่ว่าสักแต่ว่าเนี่ยมันไม่ยินดีมันไม่ยินร้ายมันสักแต่ว่ารับทราบรับทราบแล้วก็ปล่อยรับทราบแล้วก็ปล่อยรับทราบแล้วก็ปล่อยถ้าเราจะเปรียบเวทนาเหมือนกองไฟเราเข้าไปอยู่ท่ามกลางมันเลยเอาความรู้สึกของเราไปอยู่ท่ามกลางมันเลยเวทนาก็คือเวทนาเราก็คือเราทรัก าาเราอยากจะให้เรารู้ชัดจริงๆเราดูเวทนาแล้วก็ย้อนมาดูที่ใจของเรามันคนอ่านนะแต่ถ้าหากเราไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้อุบายนี้มันเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าเรารู้อุบายนี้ปั๊บมันแยกกันการที่เราเริ่มพิจรารณาให้รู้ว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นอัตตา หรือไม่ใช่อัตตาเราก็เริ่มดูตรงนี้เราเริ่มดูตรงนี้ดูเวทนาท่านบอกว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราด้วยเหตุที่เรายึดนั่นเองเราจรึงไปยึดเวทนาว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นดูเวทนาเราก็ย้อนมาดูผู้รู้ของเราเนี่ยมันเราจริงๆหรือเปล่า ย้อนมาดูผู้รู้ของเราแล้วก็ย้อนไปดูเวทนามันจะเกิดภาวะแยกไปโดยอัตโนมัติเราทําอยู่อย่างนี้แหละจะไม่ใช่เรานั่งแยกนะแต่ถ้าเราทําได้ถูกส่วนถึงที่มันแยกเข้ามันเองอันนั้นเป็นผลเราไม่ต้องเรียกร้องมีอุบายวิธีต่อสู้อย่างนี้แหละสู้ไปเรื่อยๆสู้ไปจน เวทนาก็อยู่เวทนาจิตก็อยู่พอจิตต่างอันตัางจริงย้ำเข้าไปอีกถึงกายอีกก็ได้เช่นอย่างปวดหัวเข่าเนี่ยมันมีกายเวทนามันก็มาสายกายเนื่องจากว่าร่างกายเราไม่ปกติมันถูกพับถูกงอถูกทับเลือดลมเดินไม่สะดวกมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมามันเป็นการขัดข้อง มันเป็นเวทนาขันมหาสติปัฏฐานนั้นท่านให้พิจารณากายพิจารนาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเราจะพิจารณาส่วนไหนวิ่งถึงกันหมดเพราะตัญหาเนี่ยมันสวมรอยมายึดกายว่าเป็นกายราวกายของของเรามันสวมรอยมายึดเวทนาว่าเวทนาเราเวทนาของของเรา มันสวมรอยมายึดจิตว่าจิตเราลองยึดจิตว่าเราสาคัญมั่นหมายไว้เป็นจิตเราจิตของของเราจิตที่แท้จริงสักแต่ว่ารู้พิจารณาธรรมเราดูส่วนไหนก็ตามมันเป็นการพิจารณาธรรมทั้งนั้นคำว่าพิจารณาธรรมในทีน่นี้หมายถึงพิจารณาธรร ม, มารมสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตดาริในจิต ตึกในจิตคิดในจิตตรองในจิตพิจารณาเรื่องอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วท่านเรียกว่าพิจารณาธรรมเอาสติมากำกับอยู่ทั้งสี่อย่างนี้ใครถูกจริตเนตสายกับกายก็มาอยู่กับกายแต่ยังไงเวทนานก็ต้องเกิดขยับจากกายมาเป็นเวทนาเวทนาก็คือธรรมชาติของเวทนากายก็คือธรรมชาติของกายธรรมชาติธรรมชาติ จิตไม่จับจองเฉยๆแต่ร่างกายมันเจริญขอมันเองร่างกายเจริญขอมันเองเวทนาจิตต้องการให้เกิดไหมจิตไม่ต้องการให้เกิดทุกเวทนามันไม่ต้องการให้เกิดตัณหามันไม่ต้องการให้เกิดมันมีความอยากอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดนั่นคือตัณหาลองเรา่นปวดปับปวดเอวอยากอันนี้เราชี้ไปที่ความอยากสัดี มันอยากไม่เจ็บมันอยากไม่ปวดแต่โดยเหตุที่อ น, นิจจังทุกขังอนัตตามันอยู่เท่าเดิมมันอ ย, อยู่เหมือนเดิมไม่ได้ที่แรกมันยังไม่ปวดมันก็เริ่มสะสมไปที่แรกนั่งสบายเบาสบายปลอดโปรง่งพอนั่งนานๆเข้าด้วยความไม่คงที่ของสังขารเนี่ยมันจะไม่อยู่เท่าเดิมมันจะไม่อยู่เหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนจากสุขก็มาเป็นทุกข์จากเบาสบายปลอดโปรง่งก็จะมาเป็นเร่าร้อน เสียดแทงเจ็บปวดขึ้นมานี่อันนี้จังทุกขงังชัดไหมอันนี้จังทุกขงังพยายามหัดดูการพิจารณานี้คือการพิจารณาธรรมพิจารณานี้คือพิจ า, า, ารณาธนพญาพิจารณานี้คือพิจารณาวิปัสสนาเรายึดอันนี้เป็นแบบฝึกซ้อม เป็นแบบทดสอบเป็นแบบฝึกซ้อมฝึกซ้อมอยู่อย่างนี้แหละวันนี้ก็ฝึกพูกนี้ก็ฝึกยันนี้ก็ฝึกกลางวันก็ฝึกตอนค่มก็ฝึกกลางคนกลางกลางดึกๆึก็ฝึกฝึกจ่ออยู่อย่างนี้แหละจนเป็นอาจินกรรมทำให้เราได้ปัญญาทำให้เราเข้าถึงสัจจะนี่แหละคือสัจธรรมเรานั่งภาวนาเนี่เรานั่งหาสัจธรรมนะแต่มันแปลเมกัน เวลาสัจธรรมปรากฏไม่กล้าดูแหม่ไม่กล้าดูมันะท้าทายไหมสัจธรรมนี้ท้าทายไหมความเจ็บปวดมันท้าทายนะลองฝึกให้ได้วิชานี้อยู่ได้สบายนั่งทิ้งไปเลยจนมันเป็นผลของมันเองตั้งอันตั้งจริงจริงจริงจริงของใครของมันไปไม่เอาคําว่าเราไปเกี่ยวข้อง ไม่ให้ตัณหามันสวมรอยแต่สติต้องถี่ยิบสมาธิต้องแน่นปึง๋งปัญญาใคร้ครวนไปรตรองรอบอนั่นนะ่ะเป็นตะปะธรรมตัณหาที่ยังไม่เกิดมันไม่กล้ากเกิดมนเกิดไม่ได้มันโผลมาในขาดโผลมาในขาดคอขาดเลยแหละภาปะทะกันเลยแหละโผล่มาเนี่ย ในขณะที่หมุนอยู่ไม่กล้าโผล่มันไม่กล้าโผล่แต่มันเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันโผล่เปลิ่มๆมันก็โผล่เปลิมๆมัก็โผล่เวลาโผล่ขึ้นมาปะทะกันรุนแรงรุนแรงมากเรามาพยายามคบเคี่ยวอยู่ตรงนี้เราได้กำลังต่อไปควรใช้กรมรมฐานหลายๆอย่างร่วมกัน หรือควรเลือกเพียงกรรมฐานเดียวจะให้ผลดีกว่ากันคะแต่หนูถนัดใช้หลายๆอย่างคะ่ะเช่นถ้าเวลาร่างกายเคลื่อนไหวจะดูอิริยาบถคะ่ะถ้านั่งสมาธิจะใช้วิธีดูลมหายใจแล้วจิตจะสงบได้เร็ว <c oughs> แต่ถ้านั่งพักผ่อน จะทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแบบดูรวมรวมทั้งร่างกายค่ะ <c oughs> <c oughs> ส่วนพุโทโธใช้ตอนเร่งความเพียรขจัดความฟุ้งซ่านไม่ให้จิตคิดไปไหนได้เดี๋ยวเราก็ไปนักนับแต่กรรมฐ า, านโอ้อยางงี้ต้องเอานั้นมาใส่โอ้อยางงี้ต้องเอานั้นมาใส่จับไปที่จิตดวงเดียวเราจะไม่สับสนมันขยับขยายไปเกาะตรงไหนก็ เอาตรงนั้นขยับขยายไปเกาะตัวไหนก็เอาตรงนั้นขยับขยายไปเกาะตัวไหนก็เอาตรงนั้นยย อ, นนนอเกิดคนอื่นหัดจําตามบ้างจําไม่ไหวเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าจริดนิสัยของไข่ของเราไปเรามีนิสัยอย่างนี้เราก็ตามจับของเราไปแต่อย่าไปให้ความสําคัญว่าก iu, รรมฐานนั้นกรรมฐานนั้นกรรมฐานนั้นกรรมฐานนั้นดูมาที่ใจนี่นี่คือต้นเหตุคือมหาเหตุเนี่ยนี่คือคือ คือที่รวมของกรรมฐานเนี่ยใจมีสติกํากับไหมถ้ามีสติกํากับกรรมฐานอะไรก็ก็ตามเจริญถ้าสติกํากับไม่อยู่กรรมฐานอะไรก็จุดจุดจุดจดจางจางจางจางหายไปเลยจุดจุดจุดจุดจางจาจางจางหายไปเลยอย่าลืมย้อนมาดูที่ใจดูมาที่ใจถูกดูมาที่กายถูก ดูมาที่ใจถูกกายส่วนไหนก็ช่างมันแหละใจอีรรยะบทใดก็ตามตามแต่ท่านมันใช้ได้จำมากอย่างหลายเรื่องสับสนไปไล่เหมือนไปไล่ตามหลักอภิธรรมไล่ไปไล่มาหลงพอเราหลงปับสมุตนี่มันเตะกันเนี่ยเสนสมุิ อา้าวอันนั้นทำไมขัดขานีอันนี้ทไมขัดอั น, น, นลืมแล้วลืมตรงนี้แล้วจับตรงนี้ตรงนี้มีอาการบอกทุกอย่างทุกเรื่องดูที่นี่อ่าอย่าไปส่งอย่าไปส่งไปโดยโดยโดยขาดฐานต่อไปขอโอกาสรกลรับเรียนสอบถามพระอาจารย์ค่ะวันนี้นั่งสมาธิได้สี่สิบนาที โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบทเลยแต่ตอนที่ออกจากสมาธิเพราะรู้สึกทนไม่ไหวขาปวดมากยิ่งดูยิ่งปวดและรู้สึกร้อนร้อนเหงื่อออกรู้สึกผะอืดผะอมมันไม่ใช่ขาปวดเราปวดถ้าขาปวดเฉยเฉยมันไม่เป็นไรเนี่ยเราปวดอัตตามันโผล่ขึ้นมาใช่ไหม พรอัตตาโผล่ขึ้นมาเราทันทีเราทันทีทนทถ้าอัตตาไม่โผล่ขึ้นมาขาปวดก็ปวดไปสิขาไม่ใช่เราอะใช่ไหม <c oughs> มันไมเอียนนะดูตรงนี้นะ่ะด้วยช่องที่นิดๆถ้าเป็นอะไรถ้าเป็นกระแสไฟก็นิดๆมันช็อตกันปั๊บเจ็บมันจะชอ็อตคือตัวยึดตัวตันหาเนี่ยมันเป็นเส้นเป็นสายนิดๆน่อยๆมายึยด ถ้าไม่เราตามมันไม่ทันมันสวมรอยยึดทันทีเกาะทันทีดูไม่ทันมันบางทีเราก็วาดสุ่มไปทั่วไม่ดูไม่ดูของจริงต้องดูของจริงของจริงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยดูมันเป็นอะไรก็ชืมันไม่ต้องรู้จักมันหรอกไม่ต้องรู้จักไม่ต้องรู้จักพระอัญญโกณ์ัญะท่านก็ไม่รู้จัก สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นแต่กิริยาอาการเของมันเท่านั้นเองนั่นคือผู้รู้เข้าถึงอืออ้าวคำถามเมื่อสักครู่ที่ถามต่อก็คือเมื่อมีอาการเช่นนั้นจะทําอย่างไรดีนะเจ้าคะ่ะอะไรเมื่อกี้ลืมแล้วอ๋อเมื่อกี้ที่บอกว่าเพราะ ตอนที่อยู่ในการนั่งสมาธิค่ะสีสิบนาท<ก>ีก็ดูให้มันชัดเจนอย่าให้ตัณหามันแทรกเข้ามามันแทรกเข้ามาละเอียดมากเราดูไม่ทันดูไม่ออกสวมรอยปุ๊บแมโอ้ยเกือบตายเกือบตายไม่ใช่ขาปวดนั่นนะเราปวดบอกแล้วก็ตอบแล้วอพยายามทําให้ทัน สติมุนให้ทันจอจออยู่อย่างนี้จริงๆนะขยับไม่ได้แหละตาไม่กระพริบนะอะกระพริบไม่ได้จออยู่อย่างนี้จริงๆ่ลองทําดูนี่ทําอุปมาให้ดูจออยู่อย่างนี้จริงๆนะถ้าไม่จออยู่อย่างนี้ถ้าไม่จออย่างนี้ก็พยายามจ้องดูกิริยาการมันเปลี่ยนแปลงอะไรไหม ถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็จับมาได้เปลี่ยนแปลงก็จับมาได้หรือแล้วจอที่ล้วก็ย้อนกลับมาดูผู้จอเนี่ยย้อนกลับมาดูผู้รู้ย้อนมาได้มันเห็นอะไรก็ช่างมันเนล่ลองย้อนกลับมาดูทำความรู้สึกอยู่กับผู้รู้แล้วก็ไปทำความรู้สึกอยู่กับไอ้ที่เราดูนั้นน่ะและ้วย้อนมาทำความรู้สึกอยู่กับผู้รู้ลองทาดูทาได้ ทำความรู้สึกเกบความทำความรู้สึกครครับว่าเราตั้งศูนย์ความรู้สึกไม่จ่ออยู่กับไปสิ่งที่เราจ่อเนี่ยเราก็ย้อนความรู้สึกมาดูผู้จ่อเนี่ยมันย้อนมาได้ลองหัดย้อนมาดูที่เรียกว่าพิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณาเวทนาแล้วก็พิจารณากายแล้วก็ย้อนมาดูจิต ย้อนจิตไปดูกายย้อนจากกายมาดูจิตย้อนจากจิตไปดูเวทนาย้อนจากเวทนามาดูกายสับขามันอยู่อย่างนี้แหละทำให้ถึงที่ทำให้เต็มที่มันจะชัดเข้ามันเองมันแยกเข้ามันเองต่อไปเมื่อจิตเริ่มส ง, งบ ทำไมหัวใจเต้นแรงขึ้นจากเดิมคะก็เรารู้เราอยู่เมื่อก่อนเราไม่อยู่ส่งไปนู่นส่งไปนี้พออยู่ก็เริ่มเริ่มรู้จักว่าโอ้บ้านเรามีอะไระหนูเจาะทุกแกขึ้นงูขึ้นอะไรอยู่เมื่อก่อนเราไม่เคยอยู่บ้านแต่ตอนนี้เราอยู่บ้านมีอะไรผิดปกติในบ้านเรารู้จักทันทีเข้าใจแล้วแค่นี้ใชค่ะ คำถามเมื่อสักครู่บอกว่าเมื่อมันเต้นแรงแต่แรงจนกระทั่งทั้งตัวกระเพื่อมไหวตามจังหวะการเต้นของหัวใจร่างกายทั้งล่างท้ายเป็นก้อนหัวใจกระเพื่อมไหวไปทั้งล่างตลอดตลอดชั่วโมงต้องแก้ไขอย่างไรบ้างคะก็นั่งฟังหัวใจเต้นไปสิหัวใจคือหัวใจดูหัวใจเต้นจึกจึกจึกจึกลยย้อนมาดูผู้รู้ของเราสิ อัเดียวกันนะบ่าววิชานี้ถ้าเราทําอย่างใดอย่างหนึ่งได้เนี่ยมันจะเป็นคติตัวอย่างทําได้เอาไปทํากับทุกทุกอย่างทุกเรื่องได้หมดย้อนจากใจไปดูหัวใจเต้นสิเต้นหัวใจก็คือหัวใจไม่ใช่เราเป็นกองสังขารกองหนึ่งนั่นคือความไม่คงทนของมันเห็นไหมมันอยู่นิ่งไหมันไม่คงทนถ้ามันถ้ามันอยู่นิ่งมันก็ไปแม่ มันไม่รอดแล้วแล้วก็ดับแล้วด้วยเหตุที่มันทํางานตามห น, าหน้าที่ของมันมันจึงมันจึงรักษากายาสังขารตัวนี้ได้สังขารกายสังขารตัวเล็กรักษากายสังขารตัวใหญ่เอาไว้ปั๊บปั๊บปปั๊บปปั๊บปั๊บสูบฉีดไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกอต้นไม้เนี่ยมันมีชีวิตยอยู่ได้ เพราะมันมีความชื้นไปดูดซับกินแร่ธาตุต่างๆมาหล่อเลี้ยงต้นมันคายเข้าคายออกคายเข้าคายออกลองลองมีความไม่มีความเปียกชื้นลองดูมันก็จะเริ่มเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงเพราะมันดูดเข้ามาเลี้ยงตัวมันไม่ได้ต้นชีวิตต้นนี้ถ้าไม่มีตัวนี้เป็นตัวปั๊มเข้าปั๊มออก ส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงเนี่ยก็เริ่มเหี่ยวเหียวเหียวเหียวเหียวเรามาสะดุดกึกอยู่ไปแล้วมันไม่อยู่แล้วนี่คือต้นชีวิตต้นนี้แท้ที่จริงต้นไม้มันยังทนกว่าฝนแรงเป็นเดือนเป็นปีมันยังอยู่ได้ของเราหยุดไม่ถึงห้านาทีไปแล้วม่องไปแล้วอืมเอากาเปียนถามพระอาจารย์ เกี่ยวกับปัญหาในเวลาที่ปฏิบัติค่ะข้อหนึ่งเวลาที่เดินจงกรมเกือบทุกครั้งที่เดินแล้วประมาณสามสิบนาทีจะมีอาการเซเวลาเดินและมีอาการง่วงมึนหัวไม่ทราบว่าจะแก้ไขในการปฏิบัติอย่างไรคะมันก็เหนื่อยเป็นกำลังมันตกทําไปมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยอ่อนแรงอืม แต่ด้วยเหตุที่ระเบียบบังคับเราก็ฝืนสังขารของเราถ้าหากเราฝืนกับสิ่งใดกับเรื่องใดมันก็จะทำให้เรารู้สึกผิดปกติแบบนี้แหละถ้าเราจะฝืนกับสิ่งใดจะทำให้เรารู้สึกผิดปกติเช่นอย่างง่วงนอนแล้วก็นอนพอมอิ่มตื่นขึ้นมาไม่อยากลุกนอนต่อเข้าไปอีกหรือ ล, ลุกขึ้นมาแล้วอยากตื่นก็นลุกขึ้นมา ถ้าเราฝืนถ้าเราฝืนมันจะมีกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งมาต้านคือมันจะพยายามรักษาสภาพความพอดีของมันถ้าเกินความพอดีแล้วมันจะแสดงความผิดปกติอันนี้ก็เช่นเดียวกันมันเหนื่อยมันเพลีอ้อาวคำถามที่สองเจ้าค่ะเวลาที่นั่งสมาธิ จะเกิดอาการจุกเสียดแน่นหน้าอกและบลางครั้งจะมีอาการปวดที่กลางหลังเหมือนมีของทิ่มแทงตลอดจนมีอาการปวดมากจนไม่สามารถภาวนาได้ก็เหมือนเมื่อวานนั่นแหละคำถามลักษณะแบบนี้เ ม, มื่อวานก็มีเราเคยพลิกเปลี่ยนอิริยาบถตามต้องการพอเรามันนั่งมาอยู่ในท่าทีที่เรานานหน่อยบังคับมันเกินความพอดีของมัน นี่ก็เหมือนกับมันเหมือนกับข้อที่ผ่านไปนี่แหละมันก็จะแสดงกิริยาผิดปกติก็ช่างมันอะไรเกิดขึ้นช่างมันเราพยายามต่อสู้เพราะฉะนั้นท่านจึงตั้งสัตจะไม่ใช่จะตั้งขนาดเรานะพุทธเจ้าท่านตั้งเนี่ยเลือดเนือ้อในกายทั้งหมดเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามที ตราบใดที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมจะไม่ลุกขึ้นเด็ดขาดณตังอปตวาวิรยิยะสักสันทานังภาวิตสันตีไม่ลุกขึ้นเด็ดขาดเนี่ยในคืนที่พระองค์ตั้งท่านเรียกว่ามหาประทานมหาประทานพพุทธเจ้าท่านทรงตั้ง การตั้งสัจจะมีผลอย่างนี้ลองทําไม่ตั้งเนาะปวดก็ขยับแล้วอบางทีไม่ปวดวด้วยเหตุที่เราฝืนความเป็นปกติสักหน่อยหนึ่งนี่ดูเหมือนจะปวดหนักจะปวดเบาจะอะไรชนไดไน <laughs> ถ้ามีถ้ามีสัจจะมากํากับมันเหมือนมีโซ่มามัดเหมือนเหมือนมีกรอบมาตีกรอบเอาไว้ขยับไม่ได้ตายเป็นก็เอาตายก็ ตั้งสัจจะเข้าไปตายตายเอาตายเข้าว่าถึงที่สุดแค่ตายเลือดเนื้อเลือดเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังห่มกระดูกแล ต, ตามทีจะไม่ลุกขึ้นคืนนั้นถ้าเผื่พระองค์ยังไม่ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีพระองค์จะไม่ลุกขึ้นโ <c oughs> อ้โหทำไมเล็งแม่นขนาดนั้นเล็งแม่นว่าคืนนั้นพระองค์จะต้องได้สําเร็จ ถ้ไม่สำเร็จตั้งสัจจะขนาดนี้โหจะไม่ตายขาดชีวิตติมรียไปซะ ก, ก่อนหรือนนหนาตัวอย่างอะ่ะเรามาดูอะไรขนาดเจ็บปวดอะไรขนาดพวกเราเนี่ยฝืนอิริยาบทนิดนิดหน่อยหน่อยสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเราทําแล้วมันเกิดผิดปกตินิด น, นนะเร า, เาสังเกตสังการเราก็รู้เองเราก็เข้าใจเองอืแท้ที่จริงมันไม่ใช่ผลทางด้านภาวนาอเลยดอก มันเกี่ยวกับการที่เรานั่งไม่พอดีของมันเน่ยเลยความพอดีพอดีความพอดีความสบายๆความพอดีของทุกคนจะไม่เท่ากันบางคนต้องการแค่นี้บางคนต้องการร้อนแค่นี้บางคนต้องการร้อนแค่นี้บางคนต้องการต้องการหนาวแค่นี้ต้องการเย็นแค่นี้อบางคนต้องการช่วงระยะเวลาเท่านี้บางคนได้นานกว่านี้ มันไม่เท่ากันเพราะเราฟื้นไปแล้วกิริยาเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นธรรมดาเป็นผลจากการที่เรานั่งอยู่อิริยาบทเดียวนี่แหละมันไม่ใช่ผลเกิดจากสมาธิสมาบัติอะไรดอกอ้าวไปผู้ปฏิบัติท่านเดียวกันคาถ า, ถามที่สามเวลาที่นั่งสมาธิจะมีความรู้สึกว่าตัวจะง่ายหลัง แล้ว mm hmm. ต้องฝืนล่างไว้มีความรู้สึกเหนื่อยมากค่ะก็เหมือนกันอีกเลยเนี่ยปัญหาสองสามข้อติดตกันมาเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเนี่ยปัญหาสองสามข้อติดๆกันมานี่ยเหมือนกันหมดเลยเกิดขึ้นจากเราว่านั่งฝืนอยู่อีเดียาบทเดียวนี่แหละการนั่งที่ที่จะทําให้เรานั่งทนที่สุดเรานั่งขัดสมาธิขัดสมาธหนึ่งชั้น ขัดสมาธสองชั้นนี่ดูมือเนี่ยขัดสมาสองชั้นขวาอยู่บนซ้ายขัดสมาธหนึ่งชั้นขวาอยู่ข้างหน้าซ้ายอยู่บนพื้นทั้งหมดเราถ้าเรานั่งนานๆเราถนัดวิธีนี้แต่ถ้าเราเอาขวาทับซ้ายเนี่ยนั่งนานๆนไปนี่มันมักจะจะหงายท้องอะ่ะพอร่างกายของเรามั น, มนเริ่มลด เริ่มเริ่มลดความยั้งตัวเองเนี่ยมันผ่อนไปตามภาวะข้องมั น, นมันมักมักจะเหมือ น, เ, นเหมือนก็จะง่ายท้องบางคนงายท้องก็เพราะภาวะแบบนี้แหละอ่าและอีกวิธีหนึ่งก็คือสมาเดเพชรขัดสมาดสามอย่างให้รู้จักเราจะขัดสมาดเพชรอย่างนี้ก็ได้ซึ่งขัดสมาดเพชรดึงซ้ายเข้ามาพาดไว้ข้างในก่อนแล้วดึงขวา ม, มาทับ ขัดสมาธิเพชรแต่ถ้าใครไม่ถนัดและก็ไม่เคยไม่ได้พอสิบนาทีดอกมันดัดมากานนี้ดัดมากแต่ถ้าเรานั่งจนชินแล้วไม่มีล้มซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีการล้มไปเลยอยู่ขี้นิ่งสีเลยแหล ะ, ะเวลาออกก็ต้องจับต้องแกะออกอจับขัดสมาธิชั้นหนึ่งชั้น เอาซ้ายเข้ามาก่อนขวามาทีหลังอยู่บนพื้นทั้งหมดขัดสมาธิหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นขัดสมาธิสองชั้นซ้ายเข้ามาก่อนขวามาทับซ้ายแต่มือ น, นีต้องขวาทับซ้ายตลอดอันนี้เป็นแบบอย่างเป็นวิธีการเป็นแบบอย่าง แต่เวลาเรานั่งนานๆไปแล้วมันต่อสู้อยู่แต่ข้างในไม่ได้เราไม่ได้สนใจกับมันเนี่ยมันยังไงก็ช่างมันแหละเราไม่ได้สนใจบางทียันสู้กันอยู่ <laughs> <laughs> อย่างว่าแต่เราเลยพระพุทธเจ้าปางชนะมารดูที่ท่านอยู่งี้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยปางชนะมารนะท่านอยู่งี้นะอะดูที่ปางพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปางชนะมาร ปางต่อสู้นะ่ะไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้เวลามันข้างในมันสู้กันไปแล้วนะ่ะข้างนอกมันยังไงก็ช่างมันแหละลองทำดูมันจะเป็นอ่ต่อไปคำถามนี้ต่อเนื่องจากคำถามเมื่อวานที่ชำระร่างกายเจ้าค่ะผู้ผู้ผู้ภาวนาเขียนมาว่าเนื่องจากหนูฝึกเอง กูจะหลงทางเจ้าขะเลยข อ, อการเรียนถามเพิ่มว่าการใช้จิตขึ้นพิจารณากายหนูรู้สึกเหนื่อยมากหลังจากพิจารณากายแล้วแม้บางครั้งยังไม่ถึงครึ่งตัวก็เริ่มเหนื่อยค่ะอันนี้เป็นอาการปกติหรือผิดปกติคะการที่หนูใช้มีดชำแหละเนื้อหนัง <c oughs> ค่อนข้างละเอียดค่ะแซไปตามซอกเล็กซอกน้อย หนูทำมากไปหรือเปล่าคะถ้าเหนื่อยเราพักก่อนเราพักสงบการที่เราใช้อันนี้มันก็มีส่วนมาเกี่ยวกับสมองด้วยแต่ถ้าหากฝึก น, น, นานๆจนมันเลยสมองไปแล้วทํางานเฉพาะภายในใจอย่างเดียวอันนั้นได้อนนี้เราตั้งเราตั้งสัญญากําหนดจดจอ่อนี่มันเหนื่อยมาถึงสมองเราด้วยมันเหนื่อยด้วย เพราะว่าใหม่ๆมันใหม่ๆแต่ถ้าเราทำเราใช้ภายในใช้เรื่องของจิตเป็นเรื่องส่วนใหญ่นานๆไปแล้วมันจะไม่เป็นเกิดความรู้สึกเหนื่อยพักก่อนพักแต่ไม่ปล่อยถ้าเพื่ออยู่ในแอกอยู่ในไทยก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่ถอดไม่ถอดแอกออกจากบาและไม่ปล่อยสติไม่ปล่อยสัมปชัญญะ อุสาหะวิริยะความกำหนดจดจ่อไม่ปล่อยอยู่อย่างนั้นแหละแต่ไม่ทำให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวแท้ที่จริงเราช่ำแหล่แบบนั้นเนี่ยจนจิตเกิดความสลดสังเวชจริงๆมันก็จะสงบรวมลงมาอยู่กับอารมณ์เดียวการทำแบบนั้นย้ำไปย้ำ ม, มาย้ำ ม, มาย้ำไปสับไปสับมาสับมาสับไปแต่เราต้องดูด้วยว่า เราทำความเพียรได้ต่อเนื่องไหมทียิบไหมถ้าเราทำได้สิบนาทียี่สิบนาทีเครื่งองชั่วโมงโอ้โหคนนับเก่งแล้วเยี่ยมแล้วอีกในหนึ่งก็คือสมาธิเรายังไม่แข็งแรงพอคือกำลังเรายังไม่มากเมื่อเราไปทำงานหนักเกินกำลังเราก็ต้องพักสงบซะก่อน การพักสงบนั่นแหละเป็นการหากำลังเป็นการเพิ่มกำลังผู้ที่ทำนั่นแหละฟังอย่างนี้แหละจะเข้าใจทำอยู่อย่างนี้แหละมันได้ทั้งรูปประธรรมมันได้ทั้งนามธรรมามันได้ทั้งสมถะมันได้ทั้งวิปัสสนานี่ลักษณะปัญญาอบรมสมาธิ คอยตั้งใจทำต่อดีมากถูกไม่ผิดแต่อย่าไปส่งออกไปข้างนอกเท่านั้นเองแต่ให้เป็นให้เป็นกายจริงๆไม่ใช่เราเป็นอาศัยจักสักทวัจิตก็จิตจริงๆไม่ใช่จิตเรากายก็กายจริงๆไม่ใช่กายเราสังเกตสังกาดูความรู้สึกความรู้สึกว่าเป็นเราถ้าตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรเนี่ย ปัญหามันแทรกเข้ามาแล้วปัญหามันตามหลังธรรมาะต้อยต้อยต่อยเพลอไม่ได้มันค่อยจะหาที่ที่ช็อตว่างั้นเถอะมันละเอียดขนาดนั้นเหมือนกับกระแสไฟเนี่ยแค่โลหะไปใกล้กันนิดหน่อยดูดูแลยุบยุบยุบยุบแล้วลองดูซิไฟแรงสูงลองไปดูซิเกือบคืบหนึ่งเนี่ยมันยังยุบยุบยุยุลงไปเลยเนี่ยอืม ตัณหากับสิ่งที่มันยึดมันเกาะเกี่ยวมันผูกพันเนี่ยกับอุปาทานเนี่ยมันยิ่งกเกอกกะแสไฟแรงสูงซะอีก ย, ยุบยุบสวมรอยแล้วเสร็จมันแล้ว ย, ยุบยุบเสร็จมันแล้วหลงไปเลยเพลินไปเลยไม่รู้ตัวดอกเพลินเพลินเพินเพลนเพินไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัว นันทิราคะสหกตามันไปด้วยกันเลยนะประกอบกันไปด้วยกันตามหลังกันไปใต้ๆไม่รู้ดอกไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวอะไรดอกไปกับความเพลินตัญหามันพายเพลิเพลินเพลินเพลินเพลินเพลินเพินเพลินะหน่อยพาออกนอกลู่นอกทางไปแล้วอันนี้คือเพลินที่ตัญหาพาเพลิน แต่ถ้าทำพาเราเพลินนี่ก็ต้องระวังอิ่มกันนะทำพาเราเพลินเพลินเพลินเพลินเพลินเพลินเพลินระวังตันหามันมามาฉกมาฉกมาช่วงมาชิงเอาไปนะเผลอไปแล้วเพลินเพลินเพลินเพลินเพลินเพลผลอไปแล้วอยู่ข้างในเนี้ยอ่าต่อไปกายในกาย จิตในจิตเวทนาในเวทนาและธรรมในธรรมคืออะไรเจ้าคะออกายในกายกายเล็กในกายใหญ่กายย่อยในกายใหญ่พิจารณากายในกายพิจารณากายพิจารณาลงในกายมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันขอให้เป็นกาย จะเป็นกายรูปร่างนี้ก็ตามจะเป็นกายที่เราหลับตาเห็นก็ตามหรือเราจะว่าเอากายหลับตาเห็นเป็นกายข้างในก็ได้กายในจิตหรือจะว่าอวัยวะส่วนย่อยอยู่ในอวัยวะส่วนใหญ่เช่นอย่างเราเห็นผมเนี่ยคือกายส่วนย่อยเห็นตับเห็นไตเห็นไาเห็นพุงเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกายส่วนใหญ่ท่านเขาเรียกว่าเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นอยู่ในจิตนั่นแห ะ, ะเห็นธรรมในธรรมก็เห็นธรรมในขณะที่เราพิจารณาธรรมน่ะแล้ไม่ต้องไปไล่ว่าอะไรเป็นกายในกายนอกมันสับสนย้ำดูพยายามจับกิริยาอาการที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเราจะไม่สับสน เราไปตามทำความรู้จักสามอย่างสี่อย่างเนี่ยบางทีตลอดเป็นปีสองปีสามปีห้าปีสิบปีเราก็ไม่รู้เรื่องถ้าเราไม่มาจับกิริยาที่แท้จริงจะไม่รู้เรื่องเราพยายามมาจับเราจะรู้เองเราจะเข้าใจเองเราจะเห็นว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นบทเรียนที่ท่านเอามาให้เราดูเราฝึกทั้งหมด น, ะ น, นั้นเป็นความรู้เป็นภูมิรู้ของท่านเหมือนอย่างภูมิของพระอภิธรรม มันเป็นภูมิรู้ของท่านเราไปจะไปทําความรู้จักทุ ก, กิทุกกีเหมือนอย่างที่เป็นเจ้าตัวท่านเป็นมันทําไม่ได้แต่เอามาฝึกเอามาแบบมาเป็นเครื่องช่วยฝึกได้มาเป็นเครื่องช่วยฝึกได้ดูมาที่ผู้รู้ตัวเดียวเนี่ยเราจะเห็นกิริยาการทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนี่พูดจุดรวมพูดที่รวมมาแล้ว ให้พวกเราพยายามจับไม่ผิดสมาธิแนบแน่นมั่นคงกายกับจิตตล่อมหลอมรวมเป็นอันเดียวกันกายไม่ห่างจิตจิตไม่ห่างกายเกาะอยู่ด้วยกันนี่แหละอ้ะอ า, อ, า, อ, าอ้าวยิค่ะคำถามถัดไปเช่าค่ะจิตเกิดดับตลอดเวลาหากเป็นเช่นนี้กรรมที่เกิดขึ้นแต่ละขณะจิต จะถูกบันทึกไว้อย่างไรเจ้าคะก็นี่แหละตัวเกิดกรรมสัญญามันเก็บเอาไว้มันมีถุงเก็บของมันอ่ะถุงหนังเก็บอย่างดีถุงพลาสติกสู้ไม่ได้ถุงสเตเตนเลตอหละมันเก็บวิบากกรรมตกผลึกไปในจิตดวงนั่นจิตเกิดดับจิตเกิดดับกรรมอยู่ยังไงโดยเหตุที่จิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับนั่นแหละคือการสร้างกรรมของมัน เกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้ามันอยุ่นิ่งเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันไม่ได้สร้างเหมือนอย่างจิตที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยไม่มีอะไรสร้างโดยเหตุที่จิตมีกองสังขารปรุงแต่งอยู่มันก็เท่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตที่ที่ท่านาล้างบริสุทธิ์แล้วเนี่ยจะไม่เกิดจะไม่ดับจะไม่ใช่กองสังขารท่านไม่เรียกสังขารมันไม่มีตัวปรุงสักแต่ว่ารู้ ท่านไม่เรียกสังขารท่านเรียกว่าวิสังขารวิสังขารเป็นสิ่งอื่นไปจากสังขารไปแล้วคึ้นชื่อว่าสังขาร น, นี่จะไม่คงที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับสังขารใดๆก็ตามพเราเทียบให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้ไม่มีนอกเหนือไปจากจกิตที่บริสุทธิ์ของพระสงฆ์สาวกพระอริยะสาวกและ จิตของพระองค์ ส, เสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระผู้รู้มีท่ารู้อยู่หนึ่งเดียวนอกนั้นในโลกนี้กองสังขารทั้งนั้นเราจะว่าอะไรเราจะว่าเพชเมันก็เป็นกองสังขารพลอยก็เป็นกองสังขารทองเงินก็เป็นกองสังขารก้อนหินศิลาสารพัดเป็นกองก้อนสังขารแผ่นดินต้นไม้ ก้อนหินก้อนดินวัตถุทุกอย่างอยู่รอบข้างตัวเรากองสังขารทั้งนั้นไม่มีอะไรอยู่คงที่สักอย่างแต่หากมันเปลี่ยนแปลงไปช้าเร็วเท่านั้นเองลองอีกร้อยปีสลา t ี้ s จะอยู่อย่างนี้ไหมลองอีกพันปีจะอยู่อย่างนี้ไหมลองอีกมือนปีจะอยู่อย่างนี้ไหมแสนปีล้านปีแม้แต่เหล็กเหล็กกล้าเหล็กเะเร์ตนเหล็กเหล็กเหล็กแข็งขนาดไหนก็ตาม ล้านล้านปีต่ อ, ตอไปอีกมันก็จะต้องเปลี่ยนตัวของมันไปอีกมันไม่คงที่สิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวคือสิ่งที่ชะล้างออกได้คือพระจิตที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นท่านยิงว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นเป็นพระจิตที่เที่ยงอยู่อย่างนั้นดารงตนอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกไม่มีภพจำกัดไม่มีเวลาจำกัดดารงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการมีไหม มีใร้จิตที่บริสุทธิ์ของพู้ติธเจ้านี่แหละพวกเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินอ้าวต่อไปค่ะต่อจากคำถามเมื่อสักครู่เจ้าค่ะหากร่างกายเราดับสูญแต่จิตไม่ตายจิตดวงใดที่ไม่ตายเจ้าค่ะแล้วก่อนที่คนเราจะบรรลุมรรคผลนิพพาน เราจะมีจิตดวงเดิมตลอดสังสารวัฏเลยใช่ไหมคะก็ผู้รู้ตัวเดิมนี่แหละผู้รู้ธาตุเดิมถ้าเราไปเอาหลักอภิธรรมมาจับจิตเท่านั้นดวงจิตแปดสิบเก้าดวงจิตร้อยสิบเอ็ดดวงเราก็ว่าไปอันนั้นคือกิริยาอาการของจิตเฉยพอผู้รู้ที่แท้จริงมันวิ่งจับอารมณ์นี้เขาเรียกจิตหนึ่งดวง วิ่งจับอารมณ์นี้ก็เรียกดวงที่สองวิ่งจับอารมณ์นี้ดวงที่สามดวงที่สี่ท่านเรียกเข้าไปเราไม่ต้องไปจับเรามดจะมาไล่ตะคุบเงาแบบนั้นไม่ทันจับมาที่นี่อันนี้มันจะแสดงอะไรให้ปรากฏจับที่นี่จบจบงานที่นี่อันนั้นคือภูมิรู้ของท่านท่านมาแยกแยะท่านมาจําแนกแยกแยะแต่การที่เราเรียนเพื่อประเทิงสติประเทิง ป, เทงปัญญาของเราเราก็เรียนไป แตเราเรียนไปด้วยเราภาวนาไปด้วยเราศึกษาไปด้วยมันก็ไม่ขัดกันมันจะเป็นหลักเปบญปัจจพยาให้เราชทราบชาัดว่าโอ้เราปฏิบัติไล่อย่างนั้นไล่อางนั้นไล่อยาง น, ง น, งนมันไม่ทันไล่ น, นลู้ น, นไล่นูน้นไล่นู้นไล่นู้นไล่ไปจนลืมมองดูที่นี่เลตะเลิดเปิดเปิงไปไหนแล้วไม่มีจุดจบไม่มีที่จบอืม ก็จิตดงเดียวเนี่ยแหละจิตไม่ตายจิตไม่ตายก็คือจิตรู้จิตที่ท้ารู้ที่จิตมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนมาเพราะว่าจิตยังมีกองสังขารปรุงแต่งอยู่ในขณะที่มันปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็ชอบสิ่งที่ไม่ดีมันก็ชังสิ่งที่ดีมันชอบมันก็พยายามดึงมามีอะไรมาขัดมาคล้องมันก็เกิดความขัดข้องปฏิฆะเกิดความโกรธแสดงกิริยาชั่วหยาบลงมา ทำให้จิตดวงนั้นตกต่ําจิตที่ดีจิตที่เบาสบายปลอดโปร่งทําให้จิตดวงนั้นเบาสบายสูงขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเมื่อวานเราก็พยายามพูดพยายามอธิบายฟังอยู่อืมจิตเนี่ยจิตไม่ตายด้วยเหตุที่จิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเพราะมันปรุงมันแต่งนั่นคือมันกระดมันสร้างกรรมของมันสังขารในจิตสังขารใจิตมันปรุงแต่งกรรมจิตคืออะไร คือสภาพปรุงแต่งนึกคิดนึกเรื่องบุญนึกเรื่องบาปปุญญาพิสังขาร น, นึกเรื่องบุญปุญญาพิสังขาร น, นึกเรื่องบาปแม้แต่จิตที่สงบอยู่ในองคาณานะท่าเรียกว่าอานินชาพิสังขารแต่ในนั้นกิเลสเต็มแปร่อ ย, อยู่นะมันก็คือกองสังขารดีๆนี่เองแต่จิตจิตมันไม่ได้ปรุงปรุงดีปรุงไม่ดี ปรุงดีปรุงชั่วและไม่ปรุงแต่มันเป็นกองสังขารอยู่ในนั้นแหละมันสงบอยู่กับอารมณ์ฌานแต่สำหรับจิตของพระอริยเจา้าท่านพ้นไปหมดแล้วแม้แต่ฌานสมาบัติฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อรูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จิตฝึกฝนอบรมได้แต่ไม่ใช่จิต เป็นผลงานที่จิตฝึกฝนอบรมได้เป็นวิหารธรรมที่จิตฝึกฝนอบรมได้และสิ่งเหล่านั้นหลวงตาท่านเรียวกว่าสมมุติเวลาจิตไปพาดพิงสมมุติเหล่านี้พระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปพดาดพิงสมมุติเหล่านี้พระอนุรุทธะเนี่ยมองเห็นตอนที่พระพุทธเจ้าเพ็นนิพพานนั่นแหะท่านออกจากฌานที่สี่ ชาเนี่ยคือตัวสมมุติองสมุติเวลาจิตอยู่ในฌานที่สี่มองเห็นจิตที่บริสุทธิ์อย่มองเห็นอยู่ในนี้สมมติออกจากนี้ไปแล้วออกไปแล้วไม่ได้อยู่ในนี้แล้วออกไปแล้วอรูปไปฌานอารูปปัะสมบัติก็ไม่เข้าไม่เห็นมองมาที่นี่ก็ไม่เห็นมองไปที่โน้นก็ไม่เห็น ตัวที่ขยับขึ้นขยับลงตัวนี้มีหรือไม่มีเรามองเห็นไหมแต่ถ้ามาพาดพิงส ม, มุติมองเห็นถ้าไม่พาดพิงส ม, มุติมองไม่เห็นพูดได้อย่างเดียวว่าพระองค์ปรินิพานแล้วมันเอียดนะนี่ในประไตปรปิฎกท่านพูดไว้ไปดูในมหาปรินิพานสูงไปเ อ, อ, อาไปเอามาอ่านดูเนี่ยดูทีพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระาศาสดาแสดงรวดลายให้เราดูดูดิ เอาอะไรมาปฏิเสธได้จิตที่ยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์จิตสร้างกรรมทําอะไรก็เป็นกรรมทําอะไรก็เป็นกรรมถ้ายังทํากรรมอยู่ประกอบประกอบกายกรรมประกอบด้วยธรรมเป็นธรรมเป็นกรรมเป็นวิบากผลอะไดได้เป็นเรื่องของของธรรมถ้าไม่ประกอบกรรมก็คือกิเลสกิเลสกรรมวิบากผลอะไดได้เป็นเรื่องของกิเลสกลายเป็นภาชนะ เก็บกรรมสองผาชนะภาชนะกิเลสกับภาชนะธรรมอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจมันเก็บอยู่ที่นี่ผลบุญกับผลบาปมันอยู่ที่ใจมันเก็บที่นี่เวลาสร้างกรรมมาแล้วกรรมทั้งหลายมันจะไปตามเล่นงานจิตตรงนี้ได้ยังไงทําไมมันจะตามเล่นงานไม่ได้เหมือนอย่างจิตของพระโมคคัลลานะเนี่ยฆ่าแม่ปึง้งเดียวสองสามนาทีฆ่าแม่ตาย เกิดตายเกิดตายเกิดตายกายี่พบกี่ชาตินี่ยถูกเ้าฆ่ามาตลอดห้าร้อยชาติถูกเขาฆ่าเพราะไปทํากรรมทําไมมันทำไมกรรมมันไปตามสนองได้ทําไมมันจะตามสนองไม่ได้เพราะมันเกิดตรงนั้นเพราะมันทําเหตุลงไปปับ๊บด้วยเหตุที่มันเป็นรุนแรงปฏิกิริยาที่มันจะจะเพิ่มเล่นงานตอบมันก็ต่อไปตรงเหตุตรงนั้น คือผู้นั้นมันเป็นผู้สร้างเหตุจิตดวงนั้นมันเป็นผู้สร้างเหตุผลก็เกิดขึ้นตรงเหตุตรงนั้นแหะอย่ามาผลเกิดขึ้นที่อื่นนะผลเกิดขึ้นตรงเหตุนั่นแหละเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนด้วยให้ผลยังไม่พอคอยตามชะลา้างให้ผลตามต่อเนื่องห้าร้อยชาติก ด, ดูสิพระมกขลานะเนี่ยเกิดชาติสุดท้ายก็ยังถูกเขาเขาฆ่าตาย เป็นอกากาศสาวกดำ ด, ดินบินบนได้แทๆ้ๆเห็นไหมเวลามันจะเกิดกำใหม่กับกำเก่ามันไปจวบกันกำใหม่คืออะไรอะ่ะกำใหม่ท่านมีฤทธิ์มีเดชไปสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได้เอาข่าวนารกมาเล่าให้มนุษย์ฟังเอาข่าวเทวดามาเล่าให้มนุษย์ฟังมนุษย์ทั้งหลายเลื่อมใสศรัทธาเขาเอาบน้ำมาถวายเอานี่มาถวายนักบวชฤติรถีรอบข้างเสื่อมลาบเดือดร้อนไม่ <laughs> มีอยู่ไม่มีกิน อะไรเป็นเหตุให้พวกเราไม่มีคนสนใจพวกเราเนี่ยโอ้นี่แหละนี่แหละตัวเด่นตัว ด, ดังเนี่ยจ้างนักเลงมาจัดการน่านี่คือกรรมใหม่นะกรรมเก่าที่เคยทํามาแล้วมันก็ตามหลังมาเนี่ยพอมาประจบเหมาะกันปั๊บแน่มันก็ให้ผลทันทีก็าจ้างนักเลงไปฆ่าไปวาระแรกท่านรู้ท่านก็เหาะเพราะท่านมีฤทธิ์เนี่ยพอออกทางหน้าต่างไปรอบที่สองเหาะอีกออกทางหน้าต่าง พอไปรอบที่สามโอ้มันมาตามเอาของมันเนี่ยกำมาถึงแล้วเข้าฌานเขาก็ทุบตีคิดว่าตายละลากเอาไปทิ้งพอได้กำหนดเวลาที่ท่านตั้งเอาไว้ท่านก็ฟื้นขึ้นมาไม่ตายเยียวยาด้วยฌานสมาบัติไปลาพระพุทธเจ้าก่อนโอ้ร่างกายทนไม่ไหวแล้วบอบช้ำขนาดนี้ละพอเวลาท่านเส็จท่านก็แสดงฤทธิดเดชให้น้องๆดู เสจแล้วกลับมาตายที่ที่ถูกจนทุกทีทุบทุบนี่แหละที่กาลาศีลาอันนี้เรื่องของกรรมกรรมทำไมกรรมจึงมีผลมันเป็นหลักธรรมชาติทำไมกรรมดีจึงลอยจึงฟูทำไมกรรมชั่วบาปกรรมทำไมจึงจมทำไมจึงจม คนทำดียังไงก็ตามจะต้องลอยจะต้องฟูคนทำชั่วทำยังไงก็ตามยังไงก็ต้องจมเปรียบเสมือนก้อนหินก้อนกรวดตกลงน้ำจะต้องต้มลงไปแต่ถ้าเป็นกรรมดีเปรียบเสมือนของเบาที่เป็นน้ามันที่เป็นอะไรสมรัตลอยไปผิวน้ำได้ใครเคยดูพุทธประวัติที่อินเดียก็ทาเนี่ย พระพุทธเจ้าของเราถูกเขาลองว่าคนเราทำดีไปดีได้ไงทำชั่วไปชั่วได้ยังไง <c oughs> พระเจ้าอะไรนะ่ะเมืองอาสาวัตถีนะ่ะพระเจ้าอะไ ร, ะไรนะ่ะพระเจ้าโกศนพระเจ้าเมืองโกศนเนี่ย ต้องต้องการลองคําถามว่าโอ้มีญาติของพระองค์มรู้ตายไปแล้วไปขึ้นสวรรค์ตกนรกอยู่เยันเป็นสุขอะไรยังไงพระพุทธเจ้กาก็เลยให้เอาของสองอย่างใส่หม้อไงกรวดหม้อหนึ่งน้ำมันใส่หม้อหนึ่งเอาผ้าปิดเอาไว้ผ้าปิดเอาไว้เอาไปที่แม่น้ําเอาหม้อทั้งสองหม้อเนี่ยวางลงไปในแม่น้ำหม้อดิน และให้พระเจ้าโกศเนี่ยตีหม้อให้แตกพอตีหม้อแตกปั๊ บ, รบพระองค์เห็นไหมถ้าญาติของพระองค์ทำชั่วช้าละมกทำบาปทำกรรมถึงจะไปเสกสรรปั้นแต่งขนาดไหนก็ตามก้อนหินเหล่านี้จะลอยฟูขึ้นมาได้ไหมลอยไม่ได้ถ้าทำไม่ดีมันก็ต้องจม แต่ถ้าท่านสร้างแต่คุณงามความดีก็เปรียบเหมือนน้ำมันยังไงน้ำมันมันก็ไม่จมไอ้น้ำมันก็คือหลักธรรมชาติอย่างหนึ่งก้อนหินก็คือหลักธรรมชาติอันหนึ่งบุญก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งบาปก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่มีใครไปสมมติไม่มีใครไปแก้ไม่มีใครไปดัดแปลงธรรมชาติเหล่านี้ได้ จึงเป็นเหตุทำให้เราสรุปได้ว่าทําดีไปสวรรค์ทําชั่วไปนรกไปที่ต่ํานรกมันทุกข์อะสวรรค์มันสุขอะอเพราะฉะเราเราต้องการทุกข์หรือต้องการสุขเราต้องการความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในลําดับแห่งความสุข ก, ก็มีเหมือนอย่างเรานั่งภาวนาปวดหลังคดหลังคดหลังงออยู่นี่เนี่ยมันมีความทุกข์อยู่แต่เรามีวิบากเป็นสุข มีวิบากมีความสุขเป็นวิบากเราไปทำช่วยชา้าลามกเนี่ยอยู่บนนอนบนที่อยู่ที่นอนสะดวกสบายรู้ระแต่พฤติกรรมเป็นพฤติกรรมที่โหดร้ายทารุณเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่ามีความสุขในขณะที่เขาประกอบนั้นมีความสุขแต่มีทุกเป็นวิบากเพราะทำผิดทำผิดจากหลักธรรมชาติย่อมให้ผลเป็นทุกข์ เพราะอะไรหนึ่งเบียดเบียนตนสองเบียดเบียนคนอื่นมันจะต้องเบียดเบียนคนอื่นแน่ๆพฤติกรรมของคนชั่วช้าหลามบกจะต้องเบียดเบียนคนอื่นหนึ่งเจ้าของทุกเองสองคนอื่นทุกแต่ถ้าเราเราทุกเรามีความทุกข์หรืออย่างเราตั้งใจทําบุญให้ทานอดตาหลับขับตานอนบําเพ็ญเพียรภาวนาอยะว่าแต่พวกเราเลยก็ดูแต่อ่า เอพระจักรบาลนะท่านทําความเพียรจนทําจนตาบอดน่ะดูสิไม่นอนะท่านไม่นอนท่านทำความเพียร จ, จนตาบอดแตกตาแตกกิเลสก็แตกพอดนีนั่นน่ะฟาฝืนทุกทรมานมีความทุกข์ในขณะที่ทําแต่มีสุขเป็นวิบากสุขอันนี้ผู้ผู้ติดจะไปเสวยคือจิตจิตเข้าถึงความบริสุทธิ์จิตได้ไปเสวย ผู้ทำชั่วจิตก็ไปเสวยเหมือนกันผู้ทำชั่วความทุกข์ยากความลําบากเอาต่อไปค่ะเป็นคำถามต่อเมื่อจากเมื่อสักครู่ค่ะที่บอกว่าถ้าเป็นจิตดวงเดิมตลอดสังสารวาัฏแล้วที่บอกว่าจิตเกิดดับตลอดเวลานั้นมันคืออะไรเจ้าคะ่ะเกิดดับก็คือกิริยาของมันกิริยาที่มันเกิดดับกิริยาของมันอือ ก็เหมือนอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยเขาว่า <c oughs> มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เกิดดับอยู่ในนั่นแต่มันอยู่ในนั้นน่ะกิริยาของมันจิตคือพระผู้รู้คือธาตุรู้ของเราเราชี้ตรงไหนไม่ไม่ได้ชี้ตรงที่ความรู้สึกรู้สึกตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นแหละรู้สึกตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นทางที่มันออกมันออกที่ตาออกมาทางตาไปเห็นรูปตาหูจมูกลิ้นกายกายในที่นี้หมายถึงประสาทสัมผัส ข, ของกาย สัมผัสไปต่างไหนรู้รู้ ร, ร, รู้จิตรับรู้รับทราบนี่เรียกว่า น, นามัธรรมนามธรรมมีอยู่ด้วยกันทุกคนไปนัง่งทดสอบดูจิตเราหรือเปล่าเนอจิตเราหรือเปล่าเนอลองไปนั่งลองไปนั่งดูลองพิจารณาลองดูอืด้วยเหตุที่จิตอสิ่งเหล่านั้นเป็นกิริยาทั้งหมด บุญก็เป็นกิริยาบาปก็เป็นกิริยาสิ่งที่มันแสดงออกนะั้นมันเป็นกิริยาแต่ตัวมันแท้ๆคือหนึ่งเดียวเนี่ยผู้รู้ธาตุรู้หนึ่งเดียวเนี่ยตัวนี้แหละมันไม่ตายแต่ว่ามันอุบัติขึ้นมานี่มันไม่บริสุทธิมมม์มาตั้งแต่ทีแรกพระเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าอาวิชชาอาวิชชาไม่บริสุทธิ์ จิตพวกเราได้คนละดวงละดวงเนี่ยเกิดได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ปีไหนอ่ะพศเท่าไหร่ไม่ใช่ได้ได้มาแค่เราออกจากท้องแม่ไม่ใช่เพราะจิตมันไม่ดับจิตมันไม่ตายอย่างนั้นพุทธเจ้าท่านจะนั่งระลึกย้อนหลังได้ไปเป็นกับๆหรือเกิ เ, เ, ปเป็นสังวัตกับวิวัตกับไม่รู้จกจบไม่มีที่จบที่พระอาเกิดมาไม่รู้กี่กลับกี่การลึกได้หมดก็ตัวรู้หนึ่งเดียวนี่แหละแต่ ตราบใดที่เขายังเป็นวัตถุดิบยังไม่ถูกชะล้างให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดก็ตัวนั้นแหละเกิดดับเกิดดับเกิดดับกิริยาการเกิดดับของมันก็คือกิริยาที่มันสร้างกรรมนั่นแหละอันนั้นคืออาการของมันเช่นอย่างมันแสดงอาการบอกเราเช่นอย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความจําได้ของเรานี่ก็เป็นจิตแต่เป็นอาการของมัน เวทนารู้สุครู้ทุกก็เป็นอาการของมันสัญญาสังขารปรุงดีปรุงชั่วก็เป right. ็นอาการของมันแม้แต่ไปรู้เป็นจักขุวิญญาณเป็นโสตะวิญญาณรู้แจ้งทางตาทางหูนี่ก็เป็นอาการเป็นอาการของผู้รู้เมื่อวานก็เปรียบเทียบเกี่ยวกับเทียนให้ฟังอยู่ อาการของเทียนอาการของไฟเทียนนี่เป็นธาตุไฟเราจุดเทียนปั๊บธาตุไฟมันกินมันกินเทียนมันกินไส้และมันก็กินน้ามันในขณะที่มันกินนั่นแหละมันอยู่มันอยู่คงที่มมันไม่อยู่คงที่เราลองไปไปดูใกล้ๆกล้ก็มันจะเห็นเราจะเห็นว่ามันเดือดป๊บปั๊มันกินความร้อนมันกินในขณะที่มันกินน้ามันหมดไปไส้หมดไป มีเปลวมีควันแต่ตัวไฟแต่แท้คืออะไรคือความร้อนความร้อนที่มันกินเราไม่เห็นถ้าเราอยากจะรู้เราเอามือไปหย่ลองดูกลับจากนี้ไปเอาเทียนจุดแล้วเอ า, เอามือไปเย่ลองดูนั่นแหละคือไฟไอสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดอาการของมัน พวกเรามาไล่อาการเหล่านี้แหละเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับที่ท่านสอนละเอียดลึกนะท่านสอนภาพปฏิบัติละเอียดลึกขนาดนี้เราไปอ่านดูตามต ำ, ตำรับตำรา บ, บางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นคําสมมุติหลายๆอย่างหลายๆเรื่องทําให้เราสับสนบางทีก็อธิบายไปดูนักปราชญ์ที่ท่านอธิบายไว้เนี่ยใบไปใบามาท่านก็สับสนท่านเองอะ พยายามแยกอันนี้เ <palm> ป็นส่วนของนี้นะอันนี้เป็นส่วนของอันนี้นะอันนี้เป็นส่วนของอันนี้นะทำไมไม่ชี้มาที่นี่เสียเลยล่ะชี่มาที่นี่เสียเลยจุดจบเวลาไปเลือกปฏิบัติไม่รู้จะไปเลือกปฏิบัติยังไงอ่ะนี่คือไม่รู้จะไม่รู้จะเอามาปรุงแล้วไม่รู้จัเอามารับทานภาคปฏิบัตินี้เป็นภาคเอามารับทานอะไรก็ตามเลือดเลือดใส่ปากเข้ามา เข้าไปในท้องแล้วอิ่มอะไรออกรสชาติอะไรก็แล้วแต่มันแล้วแต่มันจะไปออกอ่าเอาละแค่นี้พอแล้วอะไรอีกอคาถามสุดท้ายเจ้าค่ะสัมมาวายโมคือเพียรละเลยเวลาไปเยอะแล้วอเอา้าเจ้าค่ะสัมมาวายโมคือเพียรละอกุศลวิตตกสามอกุศโวิตตกสามคืออะไรเจ้าค่ะอ่า อกสลวิตตกวิตกคือความตรึกดำริในความพยาบาทดำริในทางเบียดเบียนดำริในการเกี่ยวข้องผูกพันกับกามคือคิดชั่วนั่นแหละแต่เขาไปแยกอีกแยกเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามวิตตกคือความตรึกคือความนึกคือความคิดคือคิดชั่วว่างั้นเถอะคิดเรื่อง โลภเรื่องโกรธมัน ม, มันไม่เลยเถิดไปจากโลภจากโกรธอกุศลเนี่ยอกุศลแปลตามตัวตัวสับก็คือความไม่ฉลาดภาษาหลักปริยัตินี่ท่านเพ่งพิพจิตรณาไปถึงศัพท์ถึงแสงด้วยบางทีเราก็ไปติดเรื่องศัพท์เรื่องแสงอีกต่างหากอีกโอ้อันนี้แปลเป็นอันนี้แล้วมาขัดแย้งกันเอ้ยไม่ใช่แปลอย่างนี้ต้องแปลอย่างนี้น่ะขัดแย้งกันอีก ถ้าจะมาดูเราดูของจริงดูเรื่องจริงจิตของเราคิดไม่ดีปรุงไม่ดีมาคิดไม่ดีปรุงไม่ดีเวลาทํามันก็ทําไม่ดีจิตไม่ดีมันก็ออกมาที่กายมันก็ไม่ดีมันออกมาที่วายจามันก็ไม่ดีมองหัวทศขึ้นมามันออกมาดีที่ไหนอะดูสิหลบไม่ทันกับหัวขาดไปเลยแหละเรามันปรุงไม่ดี แตกายมันก็ทําให้ดีไม่รู้จะเป็นก้อนดินก้อนหินไม่รู้มันมันจะเป็นขอนอ่าค อ, อนเหล็กข อ, อนพรไม่รู้มันจะเป็นปืนเป็นมีดไม่รู้นะล้ำริในทางที่ไม่ดีมาจะมาที่วาจาคําพูดเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าอะไรมันจะโผล่ออกมาทางวาจาคําพูดเนี่ยโอ้ฟาดโคตรฟาดแซ่ฟาดอะไรสัแล้วแต่มันจะออกมา นึกไม่ดีก็พูดไม่ดีคิดไม่ดีก็พูดไม่ดีนึกไม่ดีก็ทำไม่ดีนึกไม่ดีก็คิดไม่ดีคิดไม่ดีก็นึกไม่ดีมันก็อันเดียวกันนั่นแหละพูดก็พูดไม่ดีท่านจึงให้นึกดีทำดีคิดดีพูดดีบางคนก็ไปด่าเขาชดชดชดชดชดชดชดชดไปด่าเขาโอ้ยเราปากร้ายเฉยๆดอกแต่ใจเราดีดีฟังขึ้นไหม มันฟังไม่ขึ้นด่าเขาจนไปแควหัวใจเขาจนเลกหมดแล้วแหละเขาบอกปากร้ายแต่ใจดี <c oughs> ไอ้พวกโทสะจริตที่ปากมันเร็วอะว่าเขาจนสุดฤทธิ์สุดฤทธิ์หมดเดชแล้วมาสมมตรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่น่าจะว่าเลย <c oughs> ไปปลอบตัวเองเฮ้ยปากร้ายใจดีเฉยเหมือนกับเหมือนกับปูย่ย่าด่าหลานนั่นแหละด่าซจนพพอแรงเลยฮะ จะค่อยเอาให้เงินให้มันห้าบาทสิบาทเออยย่าใจใจดีนะฮะปู่ใจดีฮะ <c oughs> ด่าเสร็จแล้วมีอะไรเอาให้กินหมดปลอบใจกลัวเขาจะกโกรธกลัวเขาจะเกลียดกิริยาแบบนี้เราไม่ควรใช้ปากร้ายใจดีเราลองไปสังเกตให้เห็นกับตัวเองกันแล้วกันใจเรานึกไม่ดีเราไปปากร้าย ลองใจเรานึกดีมันจะไปออกร้ายได้ยังไงนอกจากไปพูดไปว่าเพื่อเป็นการสอนให้คนคนนั้นรู้เรื่องเช่นอย่างผู้เป็นผู้เป็นครูผู้เป็นอาจารย์ผู้เป็นพ่อเนี่ยมันเครียดให้กับลูกเครียดให้กับลูกศิษย์เห็นความโง่ของมันมันเครียดแทนมันพูดเจ็บเจ็บพูดแสบแสบเพื่อจะได้มันกลับนึกกลับตัวกลับผีกลับใจอันนี้มันเป็นไปได้ใน กิริยาของอาจารย์ในกิริยาของพ่อของแม่บางทีทั้งกระยับยังไม่โย่มกันนะฟาดจนหลังหลายฟาดจนก็บองหักกันนะนั่นโมโหจริงๆเนี่ยนี่สังสอนพ่อสังสอนนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็พอพูดได้กันแค่นั้นแหละลูกศิษย์กับอาจารย์พ่อกับลูกแค่นั้นแหละ อืมแต่ถ้าเป็นคนอื่นนี่โอ้ไม่ได้พูดไม่ได้ดอกถึงขนาดก็ตามลูกมันก็ยังเกลียดพ่อมันลูกมันก็ยังเกลียดแม่มันลองลองใครปากร้ายกับมันดูมันก็เกลียดเหมือนกันนะบางคนชอบสอนลูกด้วยกิริยาที่อ่อนนิ่มเป็นสม บ, บัติผู้ดีลูกบางคนเขาก็รับได้กลายเป็นคนอ่อนกลายเป็นคนนิ่มบางคนนี่โอ้ต้องถากแล้วถากอีกถากแล้วถากอีกกว่าจะได้ มีหลายอย่างหลายเรื่องพูดไม่จบขอจบเพียงเท่านี้เพราะฉะนัวันนี้เอามีอะไรวันนี้มีอะไรอีกนี่เท่ากับเราไม่ได้พูดอย่างอื่นรับตอบก็ถือว่าเป็นการแก้ข้อข้องใจพวกเราถือว่าสรุปผลมาตั้งแต่วันแรกคืนแรกเราก็ไม่ได้อยู่วันที่สองเมื่อวานขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงทั้งกลางวันทั้งตอนค่ำสี่ครั้งเราพยายามทั้งตอบ ทังอธิบายอะไรต่อเราให้ฟังแล้วก็มาวันนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าก็มาตอนสายวันนี้พวาะเราก็มัสุปได้ว่าผู้เราจับประเด็นจับใจความจับวิธีการปฏิบัติจับเคล็ดอุบายยังไงได้บ้างให้เราเอาไปทําเอาไปถือเอาไปพระพฤติตามาไปปฏิบัติตามอืมเพื่อพิสูจน์ทดสอบมีจริงเป็นจริงหรือใครถนัด กับอะไรก็แล้วแต่ถือว่าที่เราพูดเราอธิบายให้ฟังนี่ก็ถือว่าเป็นเกร็ดเป็นความรู้เพิ่มพูนสติเพิ่มพูนปัญญาชี้ช่องบอกทางแนะแนวเพื่อเป็นการพัฒนาจิตให้กับเราก็ถือว่าเรามาแบบนี้เถือว่าเรามาฝึกฝนเรามาอบรมเท่ากับว่าเรามาเรียนทั้งฝึกทั้งฝนทั้งอบทั้งรมทั้งหนักทั้งเบาโอ้โหรู้สึกว่าใช้อาวุธหนักนะเนี่ย ทรมานไม่ธรรมดานะถ้าจะว่าไปขึ้นลงขึ้นล ง, ข, นลงขึ้นลงเฉพาะเดินจงกรมไม่รู้ต้องเท่าไหร่ตั้งกี่ชั่วโมงไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงแม้แต่เราพูดเนี่ยก็ต้องสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยเราขึ้นลงขึ้นลงเรามาพูดเนี่ยสิบกว่าชั่วโมง อ, ะอ่ะอ่าขึ้นลงขึ้นลงก็เจ็ดครั้งแปดครั้งอ่าบางครั้งก็สองชั่วโมงรวมทั้งนั่งภาวนาด้วยแต่เวลาภาวนามีน้อยเราก็พูดแต่พวกเรามีเวลานั่งตลอด เราพูดคนเดียวพวกเรามีเวลานั่งตลอดนั่งตลอดก็คือนั่งภาวนาตลอดไม่ใช่ทนนั่งเฉยๆพอให้ล่วงไปล่วงไปล่วงไปถึงยังไงก็ตามวันนี้มาถึงตอนนี้พวกเราชิตังเมชิตังเมพวกเราชนะแล้วพวกเราชนะแล้วแต่ยังมีงานที่เป็นกุศลที่สำคัญบ่ายสองบ่ายสามนี่เราไปหล่อพระไม่ใช่หล่อพระ หลอสถูปสถูปนี้ไปอยู่สูงมากอยู่ยอดเจดีย์ระดับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสถูปสถูปเล็กๆสลับไปอยู่อยู่ที่เจดีย์เอาไปประฏิสถานที่วัดป่าบัวแก้ว เ, เพราะฉะนั้นตอนนี้มาถึงตรงนี้เราก็ขอสมมุิจบลงเพียงเท่านี้ต่อไปออธรรมบริกรมีอะไรยังไง ทำได้ครับอยาเขอโกาสหลวงปู่เมตตานิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยก็มาจากหลายที่นะครับแล้วก็ไปปฏิบัติหลายๆที่มาก็อยากจะได้อยาให้ปู่ช่วยย้ำว่าจะทําอย่างไรให้การปฏิบัติได้มีความก้าวหน้าขึ้นได้อย่างอย่างต่อเนื่องนะครับอยากปู่เมตตาบอกตรงนี้ที่ก็ทําอย่าหยุดก็แล้วท่านตัวทําให้มากทําให้หนักหน้าไม่ยอมปล่อย ปล่อยไม่ได้นะปล่อยระหยนอนไปยานมันตีกลับหมดคืนน ะ, ะเหมือนอย่างว่าไปสมาทานเลิกเหล้าสามเดือนพอออกมาโอ้โหเอาจนนอนกลางดินกินกลางทรายเลยแหละเอาหนักกว่าเดิมเคยอดโกรธเคยทนโกรธอืมอดได้ใจเบาสบายพอสมควรมีทำบัตรมีสวดมนต์มีนั่งภาวนาทำบัตรสวดมนต์นั่งภาวนาทำวัตรสวดมนต์นั่งภาวนา เดินไปไหนก็ไปเจริญสติยืนเดินนั่งนอนเจริญสติจิตใจสงบเยือกเย็นไปพอประมาณคิดว่าจะของเต็มตัวพอตัวกันยุดไปสักพักหนึ่งโอ้ยความโกรธตีกลับมาเนี่ยเกือบเอาไม่อยู่มีคนเขามาลอยฟังความโกรธมันตีกลับมาเนี่รุนแรงกว่าเดิมทาไมจึงเป็นอย่างนั้นเราก็บอกเขาว่าในระหว่างที่เราฝึกจิตของเราให้ฉลาดนั่นะ กิเลสมันก็ฉลาดตามมาด้วยเพราะกิเลสกับจิตกิเลสกับธรรมมันอาศัยอยู่กับจิตดวงเดียวพอธรรมฉลาดกิเลสมันก็ฉลาดข้ามาด้วยเม่เชื่อลองเราไปศึกษาธรรมะให้แตกฉานละเอียดออมีปัญญาสอดแทรกอะไรอไรสมมุติเราเอาไปใช้ในทางที่มไม่ดีไปดูไปด่าไปว่าโอ้โหคมคมเท่านั้นแหละแฝกหัวใจเขานี่ <laughs> เพราะทำมันฉลาดกิเลดมันก็ฉลาดตามไปด้วยเพราะมันอยู่กับจิตดวงเดียวแค่นี้เราไปเทียบเพียงดูเราจะเราจะเข้าใจการที่เราจะทำอะไรให้เกิดผลเกิดประโยชน์เราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทิ้งอุดมคติไม่ทิ้งความมุ่งมั่นมีความต่อสู้อดทนไม่ถอย ตั้งชีวิตของเราเป็นเดิมพันสมมติเราตั้งใจจะรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญวิปัสนาเอาชีวิตของเรานี้เป็นเดิมพันคำว่าเป็นเดิมพันหมายความว่าจะตั้งใจรักษาจากนี้ไปจนตายเอาชีวิตของเราในอัตภาพนี้เอาเถอะบูชาพระพุทธเจ้าเถอะอัตภาพนี้ทั้งๆ ท, ที่เรารู้อยู่เราจะไม่ยอมปล่อยเด็ดขาด เราก็ตั้งใจทำไปเรื่อยๆสังสมอบรมไปเรื่อยๆสังเกตสังกายจริตนิสัยของตัวเองเราเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่จถูกจริตถูกนิสัยของเราก็พยายามตั้งอกตั้งใจทาให้มากไปสอบหาไม่จบไม่สิ้นสิ่งที่ปลีกย่อยมีอยู่แต่บางครั้งมันก็ทำให้เราเสียเวลาไปมากมายการที่เราจะมา ตัวบำเพ็ญให้หนักขึ้นด้วยการที่มาหมุนอยู่ข้างในตรงนี้ของเราเนี่ยมันมีชั่วโมงน้อยเอาตรงนี้ให้มีชั่วโมงมากๆอการที่เราไปที่นู่นไปที่นี่ไปหาครูบาอาจารย์ที่เราเห็นว่าเออเราติดขัดตรงนี้ติดขัดตรงนั้นครูบาอาจารย์ตรงนั้นอาจจะช่วยเราได้ตรงนี้อาจจะช่วยเราได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้สะแสวงหาแต่อย่าจะไปจนเพลินไปจนเพลินแล้วก็ ทอดทิ้งการกระทําสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ทําเหตุให้มากอย่าไปหวังผลให้มากเวลาเราทําอย่าไปหวังผลหวังเสร็จแล้วพอเราลงมือทําปับ๊บทิ้งทั้งหมดเอาเหตุให้มากทําแต่เหตุให้มากผลเวลามันเกิดขอให้มันเกิดขึ้นเองอย่าไปคาดไปเดาไปหมายผลนั้นจะเกิดผลนี้จะเกิดผลนั้นจะเกิดผลนี้จะเกิดนนก็ตันน้งอยู่ ก็เป็นกําลังใจแต่ในขณะที่เราตั้งใจทํานั้นเราไม่ยอมปล่อยความอยากอันนี้ท่านว่าเอาตัณหานําหน้าตัณหาที่ไหนมันจะให้เห็นตัวมันในเมื่อเราให้มันเดินนําหน้าเราไปมันไม่ไม่ให้เราเห็นหน้ามันดอกอืมพอเราเป็นลูกน้องมันแล้วเนี่ยเราเป็นสมัครพรรคพวกของมันแล้วมันเป็นมหามิตรของเราแล้วเราเป็นลูกจอกมันแล้วเนี่ยมันจะให้เราเห็นโทษมันได้อย่างไง เราไม่ตามหลังมันเราพยายามต่อสู้ด้วยอัถ ด, ด้วยธรรมของเราเนี่ยถือมันเป็นคู่ต่อสู้เป็นตัวศัตรูตัวที่ร้ายกาจไม่ปล่อยไม่ทอดทิ้งเอาชีวิตของเราเปี่ยนเดิมพันขอให้พวกขอให้ทุกคนยึดมั่นตามที่เราปฏิญาณตนวันแรกเอาชีวิตของเราบูชาคุณพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม้แต่เราเข้ามาตั้งใจปฏิบัติตรงนี้ก็เหมือนกับพวกเรา มาสมาทานต่อหน้ากันได้ยินกันหมดพวกเราจะปิดวาจาก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะไม่ทําให้เราไปสเปหะไม่อึงอึไม่อึงขนึงลองเราไม่มีการปิดวาจานะจะมีการคุยซุบซุบิบชิบอึงขนึงเต็มไปหมดนะการปิดวาจาแต่เราตั้งใจภาวนาเราไม่ได้หวังเอาผลจากการปิดวาจาอันนี้เป็นมารยาทส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเป็นการช่วยลด ช่วยลดช่วยปิดช่องช่วยอุดรูที่ข้อเสียหายมันทะลุทะลุออกมาอย่าลืมว่าวายจาเนี่ยมันออกมาทั้งดีทั้งไม่ดีนะอ่าออกมาทั้งดีทั้งไม่ดีบางครั้งเราเก็บมาดิบดีดิบ ด, ด, ด, ดีแล้วเกินกลายเป็นว่าเอาเรื่องไม่ดีมาออกโอ้ยทุกข์เลที่นี่เป็นบ่าวมันแล้วเป็นทาดมันแล้วในเรื่องวายจารเรื่องคาพูดนี่ต้องระวัง เพราะฉะนั้นเรามาทําแค่นี้ถือว่าเป็นบทฝึก บ, บทบทฝึกบททดสอบบทฝึกซ้อมนี่เราได้ผ่านมาแล้วเราสมาทานปิดวาจาปิดวาจาท่านก็ไม่ได้ปิดเชีเลยนะท่านมาให้คุยกันในหมู่เราเองเรามาถามธรรมบริกรได้ถามกับครูบาอาจารย์ได้ไม่ใช่ท่านปิดนะไม่ใช่ท่านปิดหมดนะปิดหมดเหมือนกับเรา ปิดปากด้วยปิดจมูกด้วยลมหายใจมันจะออกตรงไหนมันนี่มีช่องออกเนื้องก็ตายนี่มีช่องออกก็ออกหูนั่นแหละเหมือนพระพุทธเจ้าสมัยท่านทาทุกรกิริยาเนี่ยท่านไม่ให้ลมออกปากไม่ให้ลมออกจมูกลมมันก็ออกออกหูอู้ลมมันก็เสียดข้างในท้องน่ะ เสียดหน้า อ, อกเสียดท้องในท้องในไส้ลมเสียดมันไม่มีช่องออกมีที่ออกร้อนระอุพระวรกายอันนี้ถ้าไม่ได้ปิดเปิดคุยกับอาจารย์ได้คุยกับธรรมบริกรผู้ที่เขาคอยช่วยเหลือเราได้ขอให้พวกเราได้ตั้งอกตั้งใจขอให้การตั้งความปรารถนาเหมือนอย่างที่วันนั้นเราก็บอกว่า จงเป็นอย่างนั้นจงเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงตามทีต่ตั้งความปรารถนาก็ไปตั้งใจทําให้ได้ตามนั้นเราก็มีส่วนว่าขออนุโมทนาสาธุการกับพวกเราทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจเสียสละเวลาเวล า, วลาอยู่บ้านอยู่ช่องเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละห่างพ่อห่างแม่บางคนมีภาระรับผิดชอบดูแลลูกหลาน รับภาระผิดชอบดูแลกิจการน้อยใหญ่เราก็เสียสละมาเพื่อหาผลรายได้เพื่อเอาคุณธรรมเข้าสู่หัวใจของเรานับว่าเป็นอนุสรณ์ชีวิตของเราอย่างยิ่งจึงข อ, อนโมทนากับพวกเราให้เจริญงอกเงยงอกงามในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกัน